สารขี ένα, pool, e e gesture, ải, ้ยนาาทำไปกินเขาไปข้อมีเามาเจอตัวขยาให้ยิเยอะเราขี้ยาให้ยิ่งแล้วทุกทุกเกทุกเกทุกตายเ็นข้อมีเงามาเจอทุกโขทุกโขทุกหลวงเ็นข้อมีงามาเจอทุกโลทุกโขทุกหวงมันจะเบาไปได้เงี้ยด้วยมักคะทัพ นนี้จะไปฟ้องคดีเงียบไปเ่างนี้มักษามักษาแล้มันคืองามดาไฟจะฟ้องคดีเงียบไปเถอะกันนี้งาดาไฟจะฟ้องคดีเงียบไปเถอี๋ยวรื่องของมักษมัตรงนยังยังมาท่านจิ้นชอบาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อ่านี่แหละควบละโทำดีนี่แหละมักษานี่ยนีสัก ข้างไปแจ้งนะันระขันดานข้าวขนไปแจ้งนะันะันานมันนิสุยาะ่ึงุกนิกุก่งนี้นพุก่งนี้ข้างเนก้ง้ อันนี้ข้าจา น, นรับจะนั่งเจรูเจละนั่งสีแล้วนั้งทั้งหลายชาวพมาต้องเที่ยวใาานวัดโรอีกว่าจะ้ั่งนปลก ม, มันขามต้องไหวีกใส่ินใส่ปิ้ใส่พุมล้มหของกันทุกพวกนี้ แล้วก็สางใโลกโดยว่ามิ่งการปฏิัติตัววัตถุตัวมิ่งถ้ามิย้อนอริยสัจที่ร่องเป็นสองละทุกบบำเพ่ญหาข้อตุกนั่นละบาบบำเพ็ญบุญนันกระือละข้อตัวบกุศลที่นั่งกระือ เลียกทั้ททุกสโมสรคัทุกคนอนกหนดรูสมสรเป็นของคนละสโมสรเป็นยังไงเกิดทุกมัดเป็นฟองวตวัทุกเป็นผลของสโมสรสโมสรเป็นยังไเกิดทุกนี่ราเป็นของมัดมัดเป็นไงฉัไม่รู้ ถ้าสร้างลายคนงเที่ยวนะว่ า, ah. าการรของกิ่นยางปลเสิฟเขาบอกวเจ้ารัชรุปรัชรุปนี่ัชรุปอริยรัชเตยอริยรัชยะรัชตันี้เามััชกยขนมาว่ัชยะรัชตีมัรตวาัชตว่ามอุตสเรียน อันัอนมีเกี่ยวกับกรไว้นําไม่ได้ม่ตัวว่าอะไรบ้างไม่มี่มีไ่มีหัวขี้นะซระมันคือซัดสุจริตเนาะอันซัดจังมันมันคือจอนี่จัดจาของจริงอันซัวมันรอนเนาะครับอื้องก้อนเยอะเลยหอนอนนว เาก็ซ่ตมอง่กอย่างที่หกแล้ก็รักษาเมื่อหร่หยหม่ต้องสองคือจางตรงน้ตงหนางเนียางตงเนี้ยเย็นบอกงนล้างนยั้งกตนั่งไกูปร้ยยน ก็แค่หลอแค่น eh! ั้นละน่ารักนเงินเท่าไหรไว้ายยั่ไง่พ่ออันนกันเน่ยแล้วมันแค่มาต้องสองแ้จะตั่างงงๆงงๆงง้งงๆงงๆงงๆเงๆงงงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงงเๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงมๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆงงๆง พูต้งเดีมบิมนแน่แนนี่อาจจะโอะอยก็ได้ น, นี่้าวนหน้าด้า น, นคโรทุกง่าย น, นี่อยู่ีกต่างหนึ่งับถ้าทำ่จีนี่เขียน่าอ า, าดาีาซัตตีอะไดยอมากทุกสมุไทยนี่โดดมาก สมุทไทยเป็นเหตุให้เทุกข์มักเป็นเหตุให้ทั้งรทุกข์บนนของสมุทรยสมุทรไทยเป็นเหตุ้ทุกขเพิ่มทุกข์นสมุทรไทยก็ปัญหาพยายมพยายามแก้ได้พื่สมุทรไทยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์บนบทะเลพยายามทำอะไรทดองทุกข์ที่อธิีฐานังทุกข์ร้องสมุทไทย ก็เหตุแห่งเกิดทุกสาธุโลคนะทุกที่มั่นคหอบไปได้หมด้ถึงคนละทุกความไม่สบายใจไม่สบายใจความไม่สบายใจไม่สบายใจในชื่อว่าทุกก็เป็นของตนใดใจยากตัณหาคือความพยายามอยากได้ชื่อว่าสมุทัยก็เป็เหตุแหงทุกข์เกิดตัณหาท่านมีประเทศเป็นสามตัวตัณหาในอารมณ์ที่น่ารักใร่ชาใจเียกกรรมาตัณหาอย่างนี้ จังหนะเนี่ยความอยามนก็จะนี่เรียกว่าวัญจังหวอย่างนี้ทังหวะเนี่ยคราอยากมันก็จะนี่เรียกว่าวัังหอย่างนี้ความดับตังหาได้ยิเจอทุกทังหวยก็ดับไปหมดและชื่อว่านิโรธก็เป็นความดับทุกปัญญาเห็นชอบว่าจึงนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้ทุกเกิดสึงนี้ความับทุกสิ่งนีทางดำเนินในทึกคราับทุกและชื่อว่า ก็เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความแบบสุขวันนั้นมีองค์แปรต้อการจะปัญญาเข้มหนึ่งดั่งเหล็กเขหนึ่งเจติใจเข้มหนึ่งทำงานงานเ่ามหนึ่งเข้าความเพียรเข้มหนึ่งเรื่องชีวิตเข้มหนึ่งตั้งทัศน์เข้มหนึ่งตั้งใจเข้มหนึ่งเื่อนลงมาท่านก็คือเสียงสมาธิปัญญาเราดีๆนี่เองย่นลงมาท่านอีกก็คือระบาดความเป็นเป็นบุญ เราดีน e ี lado, mm ่เองก็ลงมาตั้นอีกก็คือคิดใจของเราดีนี่เองพวกที่จะพึ่งที่จะมาพึ่ที่จะเป็นหัวัจถ้าบอกพึ่งพวกที่จะองค์และสัเทศอันนี้มันแก้เค็บตาย เกิดมากแกเจ็บตายเพราะไม้อพราะเกาเท า, า, าเกิดมาแล้วเท้เาเคยเป็นมาแล้วมันนุ่มมันเ้ากเสื่อมมันเทา้เทาก็าเสื่อมมันตำตำแหน่งมากที่แรกนะทำตำแหน่งมากที่เ็เล็บคนหนูหน้าหนูเป็นสี่สองใตได้ปฏีพให้ ต, อ, อ, ตองพา อ, อ, องแต้องกากต้องาทำ้ว่า ่าเป็นเรื to to mm ่องเลน้อยเรื่องจำแนว่าเลยเรื่องจำแนกว่าเหน่อยเรื่องวเรื่องตานผ่านไวมาแล้น้ำใหญน้ำไหลลงที่ต่ามนกำหลังข้อแก้ก็ต่างเข้ากับไรลูกหาวันลงไปลงไปลงไปหาตายว่ากำหลังขึ้นมาลงจะต่างจะต่างไปข้างต่างคนย้อนมันย้อเราคุณคอคนณแม่เก็บวันคุณครูพลังงาน ส่วนประกอบมาอะไรพวกตัวเจ้าหรือว่าพวกได้สัตแ์้วกสิงพอดีแม่สัตว์ต่างเป็นนกอะไรพวพวกเขาไม้พอยน่องของเขา้าหน้าที่หลงรนตางเป็นนกแทบตางเป็นริ่น แต่มตฮะต้องให้พอวาน้อยพอยแม่กินไม่ินท่ดที่ไม่จะตัดจะบมาตาที่ตุ๊กตาตางพุทธทาสังโทถ้าไี่ได้มานาให้เมีรามานาให้เส็จดับเอตมังคารมตตงเป็นมงคลของเทวดาลยมนต้อหลายถ้ามาทองเที่ยวในวัดตาทุกศานี่ เช่เชื่อแก่เชือเชือ่งของของ่อาแล้วยแล้วตงงานาดูงก็เพอนี่้่นนู้้งพนมยว่าโานัรจงทนรยจ์ัวัั้งค่ำทั้งรัเสือัข้างนานี่ังอาัจเนาเน ยหนในอาการเพมั น, นขาดนสัรหนึ่งเป็นมัดรักษาลายภูตองเที่ยวในาวาระทางสารคู่ชีวะทางเทื่อในอาวารทางสารไม่อยาบอกนั่นขอที่เขาคิว้วนี่พ่านี่คือตัวดาวันนี่นนนาาคือข้าข้ามี่ข้าอน้าข้ามี่ก็ทหารลบแล้วตอนนีเเเ้เลี่ยนตอนนี้เลี่อกลบแล้วก็กลเบขนมาเลี่ยนอีก เรากขึ้นมาเท่ีกขณะก็ข้ามดาวโลกแล้วลงในขณะขณะวัดแล้วนี่ถ้าฟังเสขณะในนั้นเมื่อไงขณะวัดแล้วฟัจิตใจจะฟังหลงในขณะขณะวัดเหมือนเอามื่อเาหารับเอาเ่ยเอมื่อเจอมันขณะเอออปเดียวเลยเวลาพวกเครสมบูอีกเพื่อตาตาในช่องรับอีกพวกเครื่องสมบูรณ์อี เขตทั <cin> ้งสันคั่นไปได้ในใจรากระซาันจะเป็นว่าถึงข้งสอมองพุทธศาสนาบัดวนหนึ่งทัดออกจามวาตาตรงการจละพระองค์พระองค์หรือมคล่องหน่อยๆีที่มหาสมุทรฝนนำเบืงเล็ดขี้เนี่ยเดกเนยใ่ในมหาสมุทรต้องเดียวออกไปทางอะนี รอบไปแล้วครับการรอบไปแล้วครับ ก, ก, การแต่ว่าในทางไหนสิครัจะซุมม้วมว่าขั้นใดเนาะเราทอคนนงูอีกครับอันนี้มาจะควนเชื่อมซุกมไม่ไดจะพวกที่ใดจะจะพกประตูในบ้านเนี่ยที่หาจตหมดอันซุมยังว่าเขาสิทรากเียบจะขนง่ซุมนี้เกีบใช้งูอสองเขาน่ะอ น, นี้ซุมว่าขันใดเก็บจะขนวยอีกคนัน ทีมหาสามุทเียบใจก็กเพียงเขาง่วงทนชุ่งยงังว่ท่านท่านพ่อนไปไเหนียบใจขนหงอยก็กยค ว, วะะจะเปนค น, น, น่ายท่า น, นี้นะุเกอารมณ์เฝ้าเระโลกมัแต่ต่อทีเนหรอาจังมหันตเียงเฝ้ารลม่แต่ต่อต่อไปทางลัด ูพ่อใจพี่เจ้าหน้าอ น, นี้เดี๋ยวพอผู้สามมาแล้วนีแก่สามาแล้วูพ่อพ่อใจพีเจ้าหน้าอันนี้เนี่ยนั่นเป็นแก่ส า, ามาับเดี๋ยันน่มนยังบรรดาผู้จญญใจเราผู้มันผู้ใจเนี่ยจะออกกาวตาต้องสามมันมองเห็นทุกสมยหน้าของไส้เลยมองเห็นจะรุ้ตามเพิ่งจะว่าเมอหน้าของไส้ อเพืนพมารกักบเพื่อนอกันมารวมกันกับเพื่อนรอกันวันนั้นมันเพื่อนมันยินดีต้าพลาด่พลามันเดียพอเห็นพอเห็นยังไงมันารักอะไรมันยนดีถได้ดในรเพื่อนอันนี้จังไดๆไในรอบเ่อนกครั้งได้ในรอบื่อนอันัาตันี้ได้หลงสาลาาของไปออกมันเองเห็ทุกขณะหนึงเห็นโลกรอบนถ้าเขทุกข้าัวงมันยังได้หกแล้วก็อันนี้จังถ้าพวงนยังได้ลง ประจําโลกอยู่มันคือวนเกระเียนเชื่อให้สรุปธรรมิงก็บอว่ารูปธรรมจริงอันนี้แต่วี้จะพ้นจริงไปจริงด้วยกันผมก็ใส่ขงล่าพจาุกมแ่อารมณ์คมก็ร่วงหายแต่ออกงั่นหละอันนี้ัคร่วงลร่วมย่อนอันนี้แป่พราะันจะร่วงลงหย่มาปัญญาร่วมลงหอน ก็พุทธเจ้าทางรพระธรรมายรับระาสงทางรจะรวบหนาชิดวาที่มันยากรวมหนาเราเราพี่เราพี่ังห้าตุ๊ปอกเขาลงมาใ่คอพี่ยังหน้อนุญาตการลงเพราะเขาลงมาอะไรไม่ใส่คอกับนี่พี่ยังาอนุญตารว่มันเล่าว่ามัเขาว่ามันซ้อนว่ามันมุ่งพลจะจะต้องลูกจะจะท้องเห็นคิดจะจะต้องเห็นคิดูดลูกจะจะต้องพูดพูดจะจะต้องพูดพูนี่ปัญญาเรมพูน โอจะมีความอุปการะง่ายง่ายหวงพ่ดูคนง่ายง่ายทุกคนถ้าวันนี้ทธิ์อย่ามัห้องอุปการะทุกคนฤทธิสั่กั่ะกอนจนจะหลัง่อหนักรัดห้องนอแจงเพื่อไปพดตรพระพทมีคิวคิ้วจะพระโดาบนพระโสดาบันคิวไหนไม่ขึนหาประจําเพราะแท้ดายตัวละหมดสินหาดาบน ว่าแคู่กใ้กเพเครียดหรือขันเครียดแลกแค่จูกเมื่อฉนูจะเอาแบบนั้นอย่างนี้วุนีเพื่อเาตัดก้อนทำอรน้เขามาออสักนะผู้มาตกรเยกรลุกกระเพยัดเจนง่านี่อาจารย์ ที่ตขาวเพิ่มหนาข่าวายนม้อถ้าวขายยาพิษอีย่งตัวลวันระเด็พิก็บอกินก็ตัวละวันเราพิษก็บอกินเคยเท่โม้บอกกินโม้เนี้มบอกกินตุกูสปลาบอกินเห็นไหว่าซุกตะกอนคูกมันตัววันกินช้นท้าก็ไหนว่ามันก่เนื้ึเนื้อเราพถึงแด้ละ เคยก็บอกินเคยมันเดเขาจะลงตัวองเกินเนหยิบขึ้นมยบเนาะเ่อการดี่นงห้าเนี่ก็ขั้นผลเป็นกับเราโอกาสผลเนคับยาครบว่าให้ไม่กินไม่สีหิบแต่พูดได้แต่พรเจดาบามันเรื่องอะ แตงงแต่ห้าแางยูปาต้องาโมยไปชนกนสามย่างมา ก, กเกิดอีกเย็นกาเขาสู้คนพลาดยานที่สองเกิดอีกสามศาสู้คนพลาดยานที่ห น, เ น, น, าาน่เกิดอีกสาสเดียวเขาสู้คนพลาดตนพระสธนาพาะีเกิดอีกสามศาสู้คนพลาดศานาพระมีสี่จำพวก เกืออีกศาสเดียวข้าวู่พญ่าปางไปพุมฮลโหลชวนพวกนั่นเกิดอีน้าศาสต์ตัวนี้เืออีกือดศาสิ์ตันี้เกือดอีสามศาสต์ตัวนี้ืออีสองศาสต์ตันี้ได้ข้าวู่พญ่าปสันอวิหารสันอตตาสุสัตตสีสันอัคคีสการ์นี่มันสั่งว่าพญ่าป่าฟ้องฟ่ะฟน้าคามี ตะอา Percy, advanced, ามีมีเคลดได้ตัวโสมโมโหโมโหขับาตองฝ่ายนวโทมามีรากตตามีรากขขามีพวกนี้รากข้าแน่ระวังพนี้กับผู้ชายนีก็บมี่ื้ออยู่นนนักันตัปน so ิงยนไ้้อปนน่ิดยิ่งนั่งกนนเกี่ยวเียกันะปนหวงเราไม่ไม safer. น Maker ั่งนี่นัน ปานไม่อยู่สำคัญจริงว่าในมิ้งกิเลสในเร่องราคาก่อนาสนาขาน้บอกไปแล้วถ้าไม่ตัวรับปานยม่อยู่เพสาะพระาถานี้แต่หางีดีนะผัวของเจ้าของนี้นี่ของเจ้าของว่าในว่าจะไปร่วงแล้วหมดน้องผู้อื่นบอกจะเอาไปที่ไหนจะพูดไหมอ่ะ เว้นก <ersch> ็บายงี้มุกทุกเ่ก็วดานละบว่าแบบว่าใช่ยปะเภทเลยว้นกยมกเรยเรียนของวงนลางยัเตว่านนี่นึ่งหน่อยม่งเรืองน้องไ่เออืองไมตอต่เา่น้งกินเามัน มันจากว่ามีเือเส็จได้ก็พอท่จไหวคออยากให้เชื่อเขาจะเอาให้ไม่ได้อะไรนึงเสียเปรียบเสียเปรียบมันเสียเปรียบแค่ไหนมันเสียใจแค่ตายดีไม่ได้ก็แ่เอาพระศรีาวันมู้โตมูโตมันทำอะไรกีได้เนี่ยพ่อเหตุใดตะเบียงพ่อแหะตะเบียงพ่อเนาะพ่อ บ่ค่อยปวดขาจ้าท in oh oui ่อะไรกินอยู <eme> <de> ่โอ้ฉันว่าบุงยังเนี่ยจะเป็นตัวเนมบุตัวจะเป็นตัวเอียงจิตหายยังสิบบุักษาวันไหวันเเดียวสิว่าวอ้แมวสิวากัดโรงแรมนี่ยจะหายไรก็ได้ที่ว่าฉันว่าน่าหงุดหงิดบ้านนั้นติดลูกไบติดกระโหลกไบกระโหลกไบต่อ คือยเข้าห้องเขายากจจัตัวมาอที่ฆ่าก็ลดไปก่อนแล้วมุขคดีสาทำดีทั้งหลาย่ยโดยเห็นมในจิาิเป็นตั้งแดงตงตางเห็น่ตางมันีะ่่นี่ันนีเลย อันนี้เจ้าเกหาเนาะไม่ทิ้งม่ของโย่ันนี้าตร์นิพนธ์เขาเวลาตัวชินหน้าตัวปลาหน้าคนมีสัตร์นพนธอีกเพื่อนเป็นคนอายุนี่มากเขาตายง่ายและเขาเป็นคนฉีโลกอีกต้องตายโดยสาราชิ้นเดียวบริการหง ผมไม่เกื่อเกี่ยวกัหน้าบันทึกควาบราณใดๆทุกความทุกพวกเรี่ยเพราการเนี่ยารที่าติเขเกิดมาศาสนาเขาเขาบวรหวงแล้วเมื่อตอ้นี่ของหนกของหลาของคัวของเมียของหลานของเรียญเนาะผมมีอนิษฐสนผมมาบูดปนเกิดมาศาสนาเขาไปบุดอะไรบุดเสือวัด วันนเราไม่อธิบายไงโอ้ยบาั่งค้นเราป่าอีนั่นพ้นเาปานั่ง น, นั่พนเาป่าเมื่อพูดอะไรรับฟังรับพี่ยังไง ห, หอสงส่งอาะางจังไงพระนิสงส์จินานี่ป่าของน้องมาตองที่ันใครันหรือเปล่าลังกระดังขั้นบาราคืออันนี้ชชนสงท ร, รองสุล า, า, า, าอะ น, นนี โดยผ้า่าดนางเป็นคนบ่เป็นคนว่าใบเจอชนิดพืชอะไรยิ่งอะไรจาได้ยูแก่มแน่ตลอดเด็ดโดยเรวบ่เผือบสรุปภาวะยิ่งคนมาจากกับบ่ตื่นบ่ไข้ตื่นยังไงบ่ไข้สรุปภาวะบ่ขยุบเป็นโ่คหัวใจเป็นโรคอันประชาทหรประสาทกับว่างี้บ่เป็นคนว่าใบเจอชนิดพืชมโน อัต้องคดหาตามทุกศาตร์ทุกภอีกเขู้เขา่าคอันนี้ด้านาสนาถือจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดมาใม่าสนาอื่นมาเจียมอมโมหะมัดบอกว่เศานาอะไรนั่นแหละใข้ามเขาไปเชื่อมาแกมนโมนเขต้องรู้ วคว่นใจให้จนพรรมาลงหลอดไปปุกแจนแ่ไม่ได้เอาบกคิดบุกใจทั้งพ้นพรมาลงหลอดผมไ่ได้ือเรื่องยี่ห้ามดีกว่ยีามจะมีวัดก็จะให้ดีข้อมให้ดีขดีปรยชใจเาให้สัวมสัวปยชนใจ้อเสียหลอดผมข้มวัาน้อัวย่หดีเพาอากาศเลย พวกคนนี้ตัวผมเลยผคนพกครนี้ดีก็เป็นเรื่องคนตอนเาหลงฟังข้อมนอะไรนะพาะตรสานิสัญามันก็้ม่ไหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องพวกอะไรมัน้องมาสิแกะแข่งเขาคนของเขาท่สิะไรถ้าเลือกพาว่าเลยก็จะมีคนสงสัยไม่ได้สงสัยมันสิงจะเิกท่านสงสัยมันสิงจะเล่อยื่นอะไรก็ม่เนามันตัวเราอะ สงสัยนั่นคือเพราไรแค่ันีก็ว่ม่เงีเสรงสัยว่าจะขาดเพือคิขาดผง่ยมั้งยึดินจ่าไม่เงี้ยลดเจะขาดเลยลวดเส้นใดจะตัวเลยลวเป็นม่วงลวดเส้นดจะรวมบอกเอ้ยนี่ลูกหัวเพลนลูกเหนียเพลนลว้อใดจะกินเราลวดเส้นใดากตัวนี่เนี่ยเพื่ไนหาย คือเ่งไล่ออกจากปากเหรว่าเทไรเอาขึ้นอาจากปากขาดไปเม้่อแต่พวกคนพู้ทิ้งอันนั้นมันติดทิ้หนาผู้ทิ้อันนี้มันติดทิ้งหนาไม่ได้วาดท่านไ่ได้รับบากบ้านเราไม่ได้พุ่งทุกคนมาขวดหรือซุ่มขาดไปแล้วค่ใช่ทไรายับขึ้อกาศระอื่นแล้วหอดทัวมันได้กระตังว่าเทไรงกว่าสวายอื่นนอกจากของคนกระทาขดไปอย่างพวกของพิ้าไม่ ในาตุน like ักฟัิ้นภาวนากรวังเพื่อผลุกธรรมชาติทกสังสิงเดียว่ไ่ได้วังวังเพื่ออื่นทำ功德ดีทุกสิ่งทุกอย่างกวังอันเดียวเ้ไ่ได้วงอื่นนาัดศีนวภาวนาวัด้อ่ทั่ตังโตตั้งโตตั้งโตอันนี้คว้าร่งโหลดไ่ได้หวเาะถึงวิถีไม่ได้หวเพาแกนะวเกษธาตาอันเดียวธาตุสอ แล้วะเนีย้าคิดไม่พอก็ติดแลยวมันตัวเกนั่งแล้วมันก็ไมได้ให้ได้ง่ายๆกันมันก็เปนเรื่งเรื่องบนห้องไปปัญญามั่งนี่กันแล้วเาบอกราเพื่องปั่ญาทานนั่นอ่างไไว้มันก็เปน่องปาระบายหักการระบายตัวนี้จะเั็นปัญญางาน เด็กคนสองข้างนันี่เกแก่ยัออ่ะคนนั้นสองปีสองเกียบเด็กพรนะฮะเป็นปิบัติหลก้าเลยนะจังข้าวมาเจอหนมหอนะคนนั้นเด็กยังคอยอคเปดเรี่ยนอะวะจ หน้าฝนเรื่อเมากเปนตัอนต้นเลยน็ต้นหออดินยาเอาเลยะเสือหมวยมากเสือหมวไม้มามา้มเป็นเอดแก้มโกหรอกโกวเปตัวเปนที่กัดเ่ยนชั้นๆข่อยังไงเป็ออนกนอยเป็นไไที่เกิด อะไรตี่โดยใครใคครครดูเผยเป็นผู้หาอาารเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ คนใช้กันเช้า่งข้านะตอนน้นขับขับขับขับขัรถเหยีตายเจะ้ามมึองายนบาดกว่าบ้าเลยระบาด่บาเลหน้าเรียบชิว่วงนหนาทองตอนเป็นลูกหลานเป็นลูกหาทเช้า เาจะองคนที so ่เขาหน้าไปก็แมงนาพส้ม้ก็าพอไปอเว้ยแบบหลางอย่างเงี้ยมดื้ออะไรัางเะพัดที่าหเอื่อยเ้จีอี่าอีกัสเนะโดะเดเขานมา่าอเฉพที่ไปอยู่นงหืะรั หลอกอะไรับนี่จะเาแปลว่านี่น้ำจะเป็นเชื้อเพลิงจะเป็นเรียงจุดบ่อเรื่องโดนหลอกเลยล่ะคือย้ามันเน่าไปแล้วเข้าไปทำเน่ามันจะเอาลามไปยังแล้วจับเอาไปเช็ดเช็ดเลยนาไปท ก็ได้ว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่ว่าว่าวว่าว่าวว่าว่าว่าว่าว่าว่่าว่าว่าว่าว่่า อย่าเเ้เมาทันตรายเลยะด้ยอย่ามันาาหาอน้าอ่มกกังจะอออแต่คจะนสายเแล้วก ก็ขอมันของตะบะช้างเยอะบ้างเงี้ยของย okay. ื้อทางหลังนี่มีเงี้ยมันเอาเสียงมาเยอะตะบะช้างหลังเนี่ยของยื้อทางหลังหล่อร่าสุดจังเลยนี่มันยังไงเนี่ยแค่ขอมันของตะบะช้าง มันม้แบ่ทําำแอลมทอทำบรรไคประม้นสองศไม่ขู่ว่าวงไฟขวงกระเี่วออกไปจากพระเจ้ไปแล้วปัญหาองค์แล้วปันทีองค์นะนางเรื่องไปยิ่งเงี้ยชื่อเลียนเลยชุนั้นชุดคนนั้นร่มงร่องพวกเรื่องพระบาทบาทบุก ไปเด้ด้วยก็ได้ทำเลยนางรองนางรองพรวิชรวงเมื่อาละวอาอาดกแก่ก็เสียงเปิดต้ตอ่าอปาาถึงเยนมากามีแล้เนี่ยไปนน่แกะก็เสียงเปิดตเสอาาดฟ ใจนะอาออกจากเสือหาไปอีกแต่แก่างเงีนคขางคำำังยเงี้ยเย็นจะบอราบราณใจก็เพิ่งจจันได้อันนี้ก็ทอาหน้าต่อไปเอยไปเรอยๆหน้าเรชวเย็นมากอีกเสืาอนู้เอาไมาเสื้อนู้อจาร เขากปเอของรุ่นนี่เองความปหารปุคัดกันว่าเปนีงเงียเจ้าเจ้าไปถึงแล้วเจ้าเจ้าจะเอาเมียแล้วเจ้าบุรบุตรจะรุ่นที่ว่าตาาใหญทำอะไรตงให่ถึงมาจังผมว่าเป็นทวารทั้งอกบม่ได้เชื่อนี้ วัดติด t ิดแจ้งแจ้งมองจากภาษาไตวยาจะหายตัวนิ้วนี่เป็นภาษาภาษาไได้เขียนในรื่องจักหลายีหายตัวนี่ใชไม่หายตัวเลยนี่กันเลยไปส่วนในพวกม่นี่เลยมเยอะไปก็จะหายเลยหายผมเห็นว่เจ้าขอปราคมต้องเับไม่ใช่บาหลายคนนี้ละวัดติดติดแจจคอดอมก็มีคอร์ดเอียงก็ เขาอะเขาข้อธมดายเขาข้อธรรมดาเลยกินได้หมรัินได้เนาได้มเนาได้พาเขาซ้นได้บพรเขาซุมนา้หนเนาได้หมดครัม่ายพันวาคต่บบุได้บเสียได้ครับผม่าเฮ้ยพันวาครับคือตกบดจรงไดก็ไปกัดัดว่พนออกไปแ้วพอได้ครกบคอกระนมือจัะพอข่วงคนอย่างค่อยๆไปเจียวครับนี่ได้ปวดเรื่องกะู เืองต้อื้อเรื่อก็ซ้ร่งราณเหมือนเรื่อโมกของบน้นหลกลางเ่องนี้แต่ม่อเือระหว่างเจ้าพษาจะคอนิจะพูดไปิพยพูดประเทศไยป็นดียวไปลงเลือกไับกัลงลไป มาม ต, ตเรื่องมาลยตัดเรื่องมีเยีบานีบา่งเีย่อบากทนี่หันอไ่ า, า, าอายุน่าอายุอีอดหน้ากรดาหน้าจะเตียนนะมึ อนที่นะาวดน้อยก็เา่าคนเราเทหนเาเต็ุ่่นี่ก็เรุ่นี่เลยก็ยังเราที่เราคนเราทีาไี่แกปีก็ได้ต่ออ่ะเออเดียวใชะุ่นี ก็ใช่ค้องคนแบบสิงแบต้องดีรู้คนต้องร่างายตัวเป็นรูรามือล้ีก็รื่ปวัที่นี่นะ้็อนี้สี่นีอีกไหนที่คุณนี่อีกไหนอีกเที่วอีกไหนอีเวนต์อีกอีกจงที่้องดีแล้วแบบสิงต่นไป้องพูดแล้วเยนี่แปรว่าหน้าลหลอมหืชื่อดังเะ สองคนจะเาไติดเราปดหน้าก to ูอาจารย์สี่ใจองสี่วัดพันหน้ามือใจวัดพัดหนากเพราอรยิ่งไม่หันเพอยิ่งคือมันชักดังนี่เพราะซื้อจานคู่ฉันจะรับไม่เยอะนี่สอันนี่มีก็คู่นึงนี่ฉันจะรับนีต้นคู่นี่นี่ต้นแท้งต้นหนึงอันเข้าไพระบ้น เราบรหารแดงรคว่ำหาห้อไว้นี่ยแล้วไงรับกองห้าของบ่อยไปคว่เนนี่นี่ตุนนีลูกห่นตุ๋นแต่นี่เยอะเลยเ่ากคุ้นพกแฝงมายยไก่านนี้แจ๊บวดี๋ยวนี่พกคุ้นซ้ำนีเขพี่เนี่ยนี่เยอะพวกนี่ยเขบักมาแล้วเขาบักเขียยมาแต่ว่าพกแฝงม่หรอกนะทางว่ามุ้ยกับไก่กันว่ามล้วี่ัรับอะนเน่นี่อ่าเห็นนี นาแลด้ยถึงฟ้าถึงเนี่ยขาอยู่เพื่อจะไปฟาดน้องขาดว่างต้องอหอยีมาอยู่ที่หนต้นพ่อขีนไ่ละยนี้ง่ายเลยว่าอย่างฟเราขึ่ตนอนแพงก็ด่าเสียงมรรมอยู่ที่หนยนีง่ยกับัพระโตย่งากพระโตอยู่ที่ชางที่แค่สีไม่เลยกำไปเห็นอะกำนยังอม่กันวา การขึ้นเงร่องห้นเนี่ยโอ้านองหลาเลยผู้นั่งภาหน้าก็ทอพอเราก็อเนี่ยผูนั่งดูไฟหัวหน้ากันนี่ยผูเล่นงกลมเราก็ทอพอคืองานไทยหน้าเขาจะอ้อมไปใชอ้อมมาอ้อมเฉยที่แทนขึ้นคอขนเลยนี่ยโอ้ับเดเแต่ช่างเหวีนี่ยนักควาู้ความโดยนี่ยก็เชค คุ้นข่คนแม่นึต้ขอขอแกคุ้นพระพทธรรมพระสง์เลยขอ ง, อ ง, ขอของการเกรี้ยดาแก้น่ยวยยเมื่ได้แสดงนั่เจียวว่าเจี๋ยวจะเหมือนคุ้พระอหาเลยคุ้นพ่คนแม่เอาโอนจากคุาาขอขอ้นพระทธรรมพระสงฆ์ใช้รูใช้รายอินอร์มไม่กันยืมมูอเดียวก า, ารรว่ากันคุ้พอคนแม่สมุนไพุดนะเ่าไปฆ่านะั รู้สักหาอายรู้สักแต่ถ้าข่าวเขาทดสอบเราไม่ออกไม่อมอกเรามีข่าวพอที่จะหรีก เ, เลียงได้แล้วรหรีกเลียงสักจะ่แม่บาีถ้าทำไป <c oughs> ทำไปก็มันเคยเกินมาหีกเลี่ยงไม่ได้ เ็เป็นคำทั้งลสารคาว่าเจ้าพ่อมันจะสูงชันสูงชันขึ้นเ็เรียกว่าเจ้าพอสูงชันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเจ้าพ่อ้าาว่าสูงโตเรียว่าเจ้า้ สูงถกหมดจับกบโอ้สูจับกบจากตล้มเหลวล้มมไปเขาอว่าจับกบจัสายสายเด็ดขาดไลกนั่งันังจับกบั นง่ายกอยากเา่มว่าที่พอมาขึ้นมากเับูได้ไอยิ่แล้วพอหัวงเงือกเพิ่งผู้ิขึ้นเือนขึ้น่าชี้ยูไไหนมันมวยแน่เูินแล้อธิษฐานจิตเรายิ่งเงือกให้เกินอได้ขึ้นมากก็ได้องไม่เลยอธิษฐานจิตตองพูคายๆขึ้นได้ มีวิมีคนมามาหลายค น, นม า, านะปกปกติแต่ีการซีอ่านใช่ใ้รมาใน3คมันไม่ากเลยแต่เมื่อไหร่ะเลาพอตอนนี้ ไ, ได้ไง ค, คไต้องต้องใช้รือ่า ผมเคยยิ้นกูบ่าจังเย่ะอันนั้นอวดอหอ ด, ดไป้มนกไปอหอดนนมัน่อจักมันปวดทองปวดใจมันเริ่มมันนันเริ่มมันนี้มันต้องลับให้ได้ไปข้หอดแด้วใช่ <laughs> ล็ปูม mm ันเกิดซิปห้นมใกล้เขามาใกล้เขามา่าจอเขาจ่อเขาระยนจอนี่ริบบงัเกี่ยงเขามันเกี่ยวกันปเขามันเกี่ยวกันก็ล็อกปูฝันเกี่ยวกันก็ลปูันเกี่ยวกันต้องล็ปูหมายเกี่ยวกันขันอุ้มเน เที่ยวกันกคู่ายจากทุกตอนเที่กันอุมยื้อท่นวัวไปนั่งกับใก็รอดเะมังานเกี่ยวคนอุ้มยื้อก็อาศัยคนนี้มันเข้าไปงอหน่อยว่นแก้วว่นขาพองแงมกัดม้วนนั่มันกับใครวะนั่ากับใครเกี่ยวกันอุ้มยื้อหันนันเอง ยักได้เห็นอนลูกทิศนักป่าอาจารย์รนักป่าเลากันแลวงู่มหาล่าหลวงปูมันตะเจวีเรศเลาออกอไปน้ำพนด้วยจะ เ, เตียนาหนหันนี่เป็นบันเป็นบันนี่เราบอกเป็นบอลูกศิศจากลูกศิศนักป่าอาจารย์อาจารย์นักป่าทีดีแต่เน่ ฉันหอกมันทำไมฉันเยมไม่ไเลำพูดเกียงใหม่ ม, ม, มงเลย่นั่งนเหน่ทางคนั้นกคกลงล้งมลแล้วก็จะม่าฮ่าฮ่าฮสาว่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าาฮาาฮ่าฮ่าฮ่าา่่าา่่่า ถ้าเ็ลาห้องให้บผู้อาจจะทุเรียนห้ององตู้ปาตกันเสีห้องสี่ตลาดเนื้อคนก็ได้แต่ราท้งคาตู้ปลาทั้ภคาพป่าอากาศตะกัมันจะลดเสียความกระตุเนาะมันจะหน่อยๆคือพวกผู้เช่ยเขาให้ตัวเป็นผู้เชี่ยวหัดจะรนค่ซือแลเ่อเขาแ็จะเป็นนักมวยเอกหระสวรรค์ ทัดวามนั้นไอ้ก็บอกให้เป็นผู้พาเรอยงนี้เดินย่ำเข้าไปเกกล็กไปมืนุ่มเป็นจบกันมันลงแนมันปิดอผู้ลูกเขยเนลูกไ่เขาให้เป็นลูกไผ่เขาให้เป็นตัวลูกเขยเพรว่าเขาว่าประกอบลูกไ่ลูกเย่ไาไปปรอเขา เันนมเขาเก็บมาหายงือยเ่นเดียวกันเดียวเนี่ยเนี่น่สามวนนี่กวนจำไว้พวกผู้เชี่ยวที่พวกผู้เชีต้าสูเขาลัดตะวันตะกสูกะช่างสูเนี่ยสูกะสูเราต้องขอลองด้วสูหันศอกอใช้แงขแข็งมันหมมันเนแ ดวงตีนใหญ่เลดกับอะไรวัาศึกษาเขากรเรื่องเขาเรื่องนี่ครับพี่เินได้จระเทียมมะกรูดตำลอะจปึให้หลอดห่วยขันจะเปลนเอาหมือนกันทำนี่่ๆของพระองค์เจ <ac ad> ้าอนี่ทําีนง่ๆของพระองค์เจ้าเพราว่าลกศิจะเตือนครูบาอาจารย์ก็ต้องเตือนให้มีทั้งทฤษฎีบรรากาศความเคารพกันทานนั่น มันจะเป็นยังไงเหตุเป็นอย่างนั้นมัผลเอานันเป็นยังไงเนาะเพราะสาเรียนศึกษาเมื่อท่านได้จะตีเร่าท่างหักจะลบเองนกไม่จะเป็นอว่านองไลกเลย้เที่ยงพพ่อไม้นะเทียงพ่อเทงแห้องก็เทียงหรือพลง่ร้ลูกอใจเป็นรืสลูกอยใจเป็นเรสิกสว่า็นัรื่องสิทั้งนั้นทั้ให้แต่ืองสัญนั่นคือ่องสำคัญหรืเรื่งสำ ก็ต้องทำทางศึกษาเนรูมกตองมเเขามของพระไม่ดนเนียแล้วมันไปเยเยเยไฮฮ ข้าวจะตะกร้อสร้างระเอข้าเอาใบสอนเอือนลเรื่อมงเนี่ไรนี่แม่จานี่ยอจมหายทกันเนี่แล้วมันจิูมันจะนกูแก่าจะตะอางเ้าวกจะเนี่ดีอแล้ว้าเอาใบสอนมันก็ือมัน้ก็พองข้าแม่จ้าขวมนเจอแรกา เข อ, อยู่าาคณะว่าเข้าเข้าคนขี้โกงเจอได้เข้าไปไซเข้าไปอาศัยมอญรบฟังแบบอาศัยมอรเนี่ยจับเริ่มงีิโกงเนาะยางเข้าาโกงกัได้ไหมว่าันไปพันกันจับของเขารอกยีม อ, อนเนี่ยปาพ่แม่พ่แม่แม่สองอไม้ยามรู้ไม้ยามเมืงองของขอเขาไว้าู้ซ่าทําตู้ไม่ไหน กินเมื่อไร่เพร่็ไมกินวันนีเลยอาาอันแม่เขาเสีายนนแม่เขาอีกที่ตายครบตกตาตซ่อมแล้วบเนี้ยมึงแคมันเอาพวกไข่กอขู่เพาเขาเราขูเขาว่านันี้ว่าจะที่หายนันนว้าจะนีมเจ้าของแ้วเอาไปให้แม่ข่ายสองมค่อยว่างไว้เขาจะเอาไอเมื่อเดแล้วเขาบอก มัหาังว่าวิ น, นอน เ, เื้อคงสิเหรอเอาใหใจ้งัไปเอา น, านั่งมะพบบ่อจนะันั่นเลยครับก็บวารอย่า ง, ง, าาางี้คุณลัรับไปอยู่นํำคูเขางานเขามีเขาตัวปฏเทพอย่งเขาก็มีงาเม่ติดนัตูวดอกให้ผุข่าวเขาเห็นเขาก็มีเงาอสนิงยางดหน้ามสินิ่งลกกาิเขาเลยซิิผู้ขาแขาติฟซิแบบซอก เดี๋ยอาสั่งเนื้อเข้าไปขนาดเขาเราได้หมวกนิสส์ชมเนื้อเข้าไปสั่งู้ค้าวันได้เฮ็ดเชื่อนผู้ค้าวันนี้เฮ็ดเชื่อนหม้อวยเขาไม่ได้ซื้อหน้าเขาไม่ได้ซื้อเขามัดไปรับหม้อระดเขาเขาเป็นลูกลาห้อรกรณารองู้ค้ากวยั่นวยมเขาไม่มีอะไรพละห้ มาเซ็ตน้ำฝนน้ำป่าม่อไหาบานนี่นะยุ่ว่า ย, ยุ่ว่ายโดยตัเนี่ยดแยงาแีเข้าไป ต, ตายาวันไวะขึน้นาเมื่อบุคคลควนำศีล้วพูดไปสักลุ่มดินกรมแล้วไสมันกรมล้ไส้มันโยกไก่เลยมันอยละไส้เมืองเนี่ย เขาบอกว่ายิ้มแย้มก็ไปซักแขวนยงั้นจะไงเพราะน้อยไปให้งามาสั่รักไว้ไปรักมครับงิ่อแท่งนมัมาังมันเ็บให้ลูกบอลมาสังลูก้วยปีละมันเย็บใหลูกยางเป็นใจเลยมะส่ตอแท่นั่นแะย่งสิ่ต่อแค่มันไปอีกรวยังาสิบุกอมีะไไปบวกตุนมาสับโอ้โหไปอกัว่า มันไปบวชสามีย่ามันไปเห็นไม่ยากบ้าสักก้าวเลยนะโยบ่อยไปบวชสามีย่าเรียกสนดับบวชอุธิบุญฮะวุฒิบุญฮายโลกธาตแล้วบวชเพื่อเขาตูวเขาในข้มไม่จะไม่เอาอีกไม่เอาอะันขัดเอาไม่เเอาควมตายมากแล้รสันตัวเขาควมตายเมื่อตัวนึงก็ไปควตายเมื่ตัวนึงก็ไปควตายใกล้ตัวนึงก็ไปความตายใกลตัวนึงก็เอาควาตายมากอะไรสะนอันนี้มัน เขาตายก้อนโตโต น, อนอโี่โอกาสเริบวชน่ะกระตัวตายก้อนเขาตก็ไ่บวชแล้วว่าจะเกิดยังไงปูพันธะไม่เอาให้ไล่คนเลยแต่ว่าโอ้ยคุณฮะปกติดอกว่ะปกติพันธะอ่ะสนในห้องนี่จานะลงมาเลาะสร้สางเมืองร้อยมึงให้ให้ให้ให้หน้าเป็นหน้ า, นาเข า, าเลยเพราเทใส่ไ่มีว่าจมึงพันธะซือว่าจะ อันยไปวัดจนะตคนเด้เขาไปรอกย่างแล้วเวลาตสกับอั น, น, อนจะลกคนึงมอไันบมันมไปวัดนพ่น้งางะลงให้ง่ายๆจะเอาภาวัดว่าจะละฝนมุดพุ่งตกอยู่เวลาตัดสนี่ตัวคนเะดียวะช่วงนเขาไปเป็นไปงั้นหมดมันจะกินเลี้ยงหดตไปเนี่ยใ้อาเนี่ยแค่นากค่น่าอะไรแค่มากวาก่วา แราทนินักนั่งบบ้านานี้แล้วมันเดือหัแล้วมเดือะมหรตอคน่ายเดีัดก็ไง่ายอยู่นะ เราไเราไปติดตัวเองให้ผมพอนเลยนราไปจะไปงก็ไม่นอนเมนะอเแ่อฮะนี่ไห น, น, นี่พ่อต้องช่วยนี่ต้อง่ยถ้าเนี่ยพูว่ามาฝากปัญหาบอกเขาคือต้อตลอดันเลยว่ามาทุคน โอเคโปมเดียอกันคุณเหนื่อยมากวะนี่ขับมาเอยภรยาเอาอะไรก็ใส่ก็ใส่ต่อไปนะไปต่ออนไ่ใส่กับขึ้นกับห้อดูเลยมา